โยมคงจะอยู่บ้านนี้ได้อีกไม่นานแล้วตอนนี้ร่างกายของโยมหมอก็พยายามประคับประคองอยู่แต่ว่าก็คงจะอยู่ได้ไม่นานนะตอนนี้ที่พึ่งของโยมมีอย่างเดียวคือจิตใจ จิตใจที่เป็นบุญใจิตใจที่น้อมนึกไปในทางที่เป็นกุศลใจของโยมที่เป็นกุศลนี่แหละที่จะพายโยมออกจากความทุกเวลานี้ได้โยมกำลังเดินทางไกลนะ เมื่อบ้านมันพังทลายลงมาโยมก็ต้องเดินทางเพื่อหาบ้านใหม่ขอ้โยมรู้สึกภาคภูมิใจนะในชีวิตที่ผ่านมาโยมก็ได้ สร้างบุสร้างกุศลมาตลอดทั้งชีวิตเป็นลูกที่ดีมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ช่วยเหลือเลียงดูพ่อแม่ จนท่านหาชีวิตใหม่แล้วก็ยังทำบุญอุทิศให้ท่านพยายามดำเนินลอยตามความดีที่ท่านได้ทำให้เป็นแบบอย่างโยมก็เองก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกเลี้ยงดูลูก ด้วยความรักทั้งถนอมพยายามเลี้ยงดูให้เป็นคนดีมีการศึกษาพึ่งพาตัวเองได้จนลูกก็กลายเป็นคนดีโยมอย่าห่วงลูกนะเพราะว่า โยมเล่งรูปมาดีเขาจะเป็นคนดีของประเทศชาติต่อไปถ้าเขามีครอบครัวก็จะเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีของลูกๆของเขาตอนนี้โยมอย่าได้ห่วงนะ ให้น้อมใจนึกถึงบุญกุศลที่ได้ทาไว้โยมชอบสร้างวัดสร้างพระพุตธรูปให้น้อมนึกถึงพระพักของพระพุทธรูปที่โยมได้สร้างไว้เห็นพระพักของพระองค์ไหมสงจยิ้มด้วยเมตตา ให้นึกเสียวว่าขณะนี้พระองค์กำลังทอดเนตรมายังโยมด้วยความเมตตาพระโยมได้เป็นคนที่อยู่ในสีในทางขอรบเชื่อฟังคำสอนของพระองค์อุป ถ, ถัมภ์ควาตื่นศาสนายจมโควรภูมิใจนะว่าเป็นชินแะบุตร เป็นลูกที่ดีของพระพุทธองค์เป็นทา ย, ยาททางธให้แก่พระองค์ได้น้อมนึกถึงพระพักที่พระองค์กำลังทอดพระเนตรมายังโยมด้วยสายตาที่เมตตาโยมอย่าเป็นห่วงกังวล น, นะเรื่องข้างหลัง ตอนนี้มีแต่บุญกุศลที่โยมได้บําเพ็ญเท่านั้นแหละที่จะช่วยพายโยมไปสู่ทางที่ดีไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ตอนนี้ถึงแน่ว่าสังขารของโยม มันกำลังบีบคั้นมีทุกขเวทนาแต่ว่ามันก็เป็นแค่ทุกขทางกายนะใจลงโยมตอนนี้้าเป็นกุศล ควากทางกายมันก็ทำอะไรโยมไม่ได้ตอนนี้บ้านมันกำลังจะผุพังไฟมันก็กำลังลุกท่วงอีกไม่นานมันก็จะพังคือลงมาโยมอย่าไปยึดมันเลยนะร่างกายนี่จะไปบวม อย่าไปหวงเตรียมสลับล่างเตรียมสลับบ้านหลังนี้ทิ้งไปได้แล้วอย่าไปเสียดายให้ไปข้างหน้าอย่างเดียวเล ย, ยโยมอย่าไปกลัวข้างหน้า โยมได้ทําบุญสร้างกุศลมาบุญกุศลนี่แหละจะเป็นเสบียงให้อาศัยแต่บุญกุศลนย่งเดินวนะเดินทางไกลนี่อย่าไปแบกของเยอะจริงไปให้หมดนะโยมไม่ว่าอะไรที่เป็นของเราจริไม่ใช่ของเราหรอกนะแบกอย่าแบกอะไรไปไว้เลยนะลูกเออยล้านเออย ให้มั่นใจว่าเขาจะอยู่ได้อย่าแบกอะไรไปไม่ว่าทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองลูกหลานอย่ยแบกสังขารไปเลยนะความห่วงใยอะไรทั้งหลายทั้งปวงก็ทิ้งให้หมด โกรธโยมก็ปล่อยวางนะใครๆก็ให้โหสิขอโหสิโยมไปหมดแล้วนะก็ให้อภัยเขาอย่าไปเก็บอะไรมาเป็นเครื่องค้างคาจิตใจปล่อยทิ่ให้หมดความผูกพันความรักความห่วง ความรู้สึกที่ไม่ดีทิ้งให้หมดนะพอ เ, เลยต้องเดินทางไกลให้ไปด้วยใจที่เบาสบายมีแต่ผู้พิศนั่นแหละแล้วทิ้งอย่าไปห่วงนะแม่กระทั่งสังขารร่างกายนี้ปล่อยให้หมดปล่อยทุกอย่าง มันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยน้อมนึก <c oughs> ถึงคำสอน <c oughs> ของครูบาอาจารย์ <c oughs> ที่ไว้ปล่อยวางแม้กระทั่งตัวเราของเรานี้ก็ปล่อย ห, หมด ไปยึดไปคล อ, องมัเป็นของเราเมื่อไหร่มันก็มันกัขโมยนะในมือะไเป็นของเราขลใอยไปข้างหน้าอย่า ก, กลัวไม่ว่าอะไจะเกิดขึ้นโยเป็นศิษย์มีครูมีพระอุตเจ้าเป็นครู เขาอให้มั่นใจสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้สอนไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ต้องห่วงกังวลอะไรทั้งสิ้นนายโย